ก็ฟังรมนะพระพุะเจ้าก็บอกเราว่าถ้าเรามีสตินะเพียงแค่มีชีวิตอยู่ราตีเดียวนะก็น่าชื่นชมละการมีชีวิต เย็นยาวนะก็อาจจะไม่ได้เป็นความหมายของว่าเราเป็นคนที่มีบุญเยอะหรือว่ามันดีกว่าการบวชก็เหมือนกันนะการบวชบวชนานก็ไม่ใช่เป็นความหมายว่าเราจะมีคุณธรรมสูงกว่าคนที่ บวชสั้นๆหรือว่าไม่ได้บวชนะแต่สิ่งสําคัญคือเนี่ยแหละนะการที่มีสตินะอยู่เป็นประจำเนี่ยแหละนะคือเป็นสิ่งที่น่าสรเสริญนะไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชก็ตามหรือเราไม่ได้เป็นนักบวชก็ตามการที่มีสติเนี่ยอยู่เป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าท่านสรเสริญแต่การที่เราจะฝึกสตินะสิ่งสำคัญมากๆเลยคนะือเราอย่าอย่าทำด้วยความอยากการปฏิบัติธรรมในทางโลกนะกับทางธรรมบางทีการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะหรือประสบความสำเร็จนะ มันไม่เหมือนกันนะทางโลกบางทีถ้าคนที่อยากจะรวยนะที่อยากจะประสบความสำเร็จนะบางทีเราก็ใช้ความอยากนะเป็นที่ตั้งนะแล้วก็เอาความเพียรนนะเข้าไปเสริมนะคือหวังเพื่อความอยากนะก็ทำให้ อาจจะรวยได้อาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ในทางโลกบางคนก็ไม่อาจจะไม่ได้อาศัยความยากเป็นที่ตั้งก็ได้เพราะอาจจะได้งานที่เขาทําแล้วมีความสุขมีความพอใจในการทำํำพอทําไปเรื่อยๆก็เออก็อาจจะมีคนเห็นคุณค่าของงานนั้นหรืองานนั้นทําแล้วก็มันเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่เขาก็ การรวยนะมันเป็นผลพลอยได้กนะารประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเนะี่ยเป็นผลพลอยไดนะ้ที่มันตามมาจากงานที่มันมีความสุขมันประมาณว่ามีสองทางหลักๆนะนะทางหนึ่งเนี่ยก็คือมีความสุขในการทางานนะแล้วพอมีความสุขในการทางานแต่ปรากฏว่าเออก็งานที่เราทามันก็ มันก็เลี้ยงชีวิตได้นะหรือทำให้เรามีชื่อเสียงมีเงินทองใช้ไม่ขัดสนแต่อีกทางหนึง่งบางคนใช้ความยากเป็นที่ตั้งแล้วก็อาศัยอดทนอาศัยช่องทางอาศัยทุกอย่างนะเพื่อให้มันได้ขึ้นความสำเร็จหรือความร่ำรวยนะ แต่การปฏิบัติทมนะทางที่ดีนะคือเหมือนทำทางแรกครับนะคือเราเอาศัยความพอใจในการทำนะพอใจในการทำเหตุนะอย่าไปแบบคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรนะถ้าเราแบบไปทำแบบอย่างที่สองคือเราเอาความอยากเช่น อยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นที่ตั้งแล้วเราก็อาศัยความเพียรทําต่อเนะี่ยมันคล้ายคจิตใจมันคือจิตใจมันไม่ไม่บริสุทธิ์จริงเนาะจิตเราต้องวางจิตให้มันบริสุทธิ์โดยการนี่แหละนะมีใจที่ บริสุทธิ์ในการตั้งใจทำนะตั้งใจในการทำเหตุแต่อย่าไปอยากได้ที่ผลมากเกินไปนะ <c oughs> มันจะทำให้เป็นความทุกข์เป็นความเครียดเนาะร <c oughs> นะวางใจตวเนี้ให้มันถูกต้องนะ <c oughs> อย่าทำด้วยความอยากที่จะได้อยากจะเป็นอยากจะเอาอะไรนะ <c oughs> แต่ ฝึกใจให้มีความพอใจในการกระทำนะเราปฏิบัติธรรมนะเราก็มีความพอใจในการทำนะกรรมฐานที่เราเลือกแล้วนยะก็เป็นกรรมฐานที่รู้สึกว่าเออมันทาแบบไม่ฟืนเนาะนะนะเดินจงกรมก็เดินด้วยความไม่ฝืนใจในการเดินนะ ก็รู้สึกตัวไปในขณะที่เดินกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามั น, มนไม่ได้อึดอัดไม่ได้เหนื่อยนั่นแหละเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ก็ต้องระวังว่าบางทีถ้ามันสงบเกินไปถ้ามันเพ่งเกินไปแม่เราอจจะมีความอดทนในการอยู่กับมันได้ เน่นเช่นเพง่งมันก็ไม่ใช่นะไม่ต้องไปเพ่งเผาแบบนั้นนะแต่ให้เราฝึกให้มันรู้ตัวนะฝึกรู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยแหละนะรู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นกรรมฐานที่รัดที่ตรงมากที่สุดละ มัเป็นกรรมฐานที่ทําให้เราได้เห็นกิเลสนะ่ะเกิดขึ้นบ่อยนะพอเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อยนะมันก็จะเห็นตัณหาที่มันซ่อนอยู่ในกิเลสนั่นแหละนะก่อนที่จะมีกิเลสนะไม่มีตัณหานะเกิดขึ้นก่อนถ้าเรารู้ทันกิเลสนะเราก็จะเห็นตัณหาเหตุตัณหาก็ละที่ตัณหาได้ เพรการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการที่ละตัณหาเนี่ยแหละนะตัณหาในกลางนะะทางตางหูจมูกลิ้นกายใจเนะ่นะก็พยายามละตรงนั้นไปลดตรงนั้นไปตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะถ้าเราเห็นนะเออมาก็ละไป แม้แต่ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากนะเป็นไม่อยากเอานะก็เป็นตันหานะตันหานี่มันแบบโอ้มันมันละเอียดมากนะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติทำมันจะได้ทุกอย่างหรอกนะมันก็ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะตันหานี่เหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบ กระบวนการก่อการร้ายเนาะถือว่ากระบวนการก่อการร้ายเนี่ยมันมีเครือข่ายยิ่งใหญ่มากเนี่ย น, นีกว่าจะจับโจรก่อการร้ายได้เนี่ยอาจจะจับลูกสมุนอาจจะจับคนทํางานได้สองสามสี่ห้าคนนะแต่กระบวนการเขาใหญ่มากเนี่ยกว่าจะกว่าจะล้างบางได้เนี่ยโอ้ ต้องใช้เวลานะตัณหาก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติธรรมแบบใจเย็นๆนะค่อยๆทำไปอย่าไปแบบเร่งรัดตัวเองมากจนเครียดนะแต่ก็ย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ถูกเหมือนกันนะนะความเพียร น, นะเพียรพอดีคืออะไร อบางทีครูบาอาจารย์ท่านใช้คําห่าไม่พักและไม่เพียรนมันมันก็ฟังยากนะเพราะว่าไม่พักก็คือว่าไม่ไม่ใช่แบบไม่ปฏิบัตินะอไม่เพียรก็ไม่ใช่ว่าไม่ทําความเพียนนะแต่หมายถึงว่าไม่ทําความเพียนด้วยความอยากนะ คือทำความเพียรแต่ทำความเพียรด้วยความด้วยการละความอยากนะไม่พักเนี่ยรวมถึงว่าไม่พักใจไว้แช่ไว้อยู่กับความสงบด้วยหรือว่าไม่ปล่อยใจไปกับอารมณ์ต่างๆด้วยนะการภาวนาจะพูดอย่างเนี่ยก็คือไม่พักแล้วก็ไม่เพียรนะจะพูดถ้าเหมือนไม่ทำอะไรนะ แต่เมื่อก็เป็นการทำแบบทำแบบไม่ทำอะไรนะะมันมันยากสินนะมันชีมันเราทำกรรมาฐานก็จริงนะแต่ทำแบบไม่อยากทำแบบไม่เอาอะไรนะะะะมีครูบาอาจารย์รูปท่านตลงปูดดูลนะอันนี้ดูในหนังสือนะเห็นเขา เขารวบตัวไว้สัมบอกว่าเนี่ยทิ้งหมดนะได้หมดเออถ้าทิ้งหมดนะถึงจะได้หมดนะทิ้งไม่หมดก็คงยังได้ไม่หมดนะทิ้งคือจริงทิ้งคือแบบใจไม่เอาอะไรเลยนะแต่ไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่แบบคนขี้เกียจที้คานนะออ <c oughs> จะทําอะไรก็แบบทําแบบทิ้งอ่ะนะ ทำแบบไม่ได้หวังผลนะทำแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรต้องเป็นอะไรนะเราละความชั่วนะทำความดีฝึกจิตให้บริสุทธิ์นะแต่ทําแบบไม่ได้หวังว่าจะต้องเอาอะไรต้องเป็นอะไรนะมันกลับได้หมดของมันเองนะ <c oughs> ในทางปฏิบัติธรรมในธรรมะนี่มันมันลึกซึ้ง มันลึกซึงแล้วก็ละเอียดอ่อนสักหน่อยนะจิตที่หยาบจิตทีออ่ไม่ละเอียดบางทีก็เข้าถึงตัวนี้ยากนะค ล, คล้ายเหมือนครูบาอาจารย์ดีทั้งก็เปรียบเทียบ น, นะเหมือนผ้านะถ้าเราไม่ซักผ้าให้สะอาดดีๆนะเอาผ้านั้นไปย้อมสีนะมันก็จะเป็น มันก็จะได้สีกระดางอสีมันด่างมันพ้อยมันไม่สวยมันไม่เรียบนะจิตนะที่มีเกเรสมีตันหาเจือปนก็ตีนะพอภาวนาไปมันก็มันก็ยังไม่มันไม่สวยไม่งามเท่าไหร่แต่พูดแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสามารถเป็นได้ทันทีนะนะแต่ให้เราเห็นว่าเป็นแนวทางในการศึกษาอะ ฝึกค่อยๆทำยังไงให้มันเกิดจิตที่มันซื่อมันเอมันบริสุทธนะิ์นมันทําด้วยความพอใจในการทําเหตุนะแล้วก็อย่าไปคาดหวังผลอะไรมันมากนะมีความสุขในการทนะํานำอย่ารอความสุขจากการที่เราจะได้อะไรจะเป็นอะไรนะอืมแล้วก็พยายามมองทุกสถานการณ์ทุกอย่างเนะี่ย เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะ ม, มีโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเออแบบเขาก็ระลึกถึงคำสอนของพ่อจา์พิสา ร, รอยู่ตอนหนึง่งคือเวลาเขาไปอยู่วัดอื่นนะบางทีก็อาจจะไม่ได้อยู่กุฏิคนเดียวนะต้องอยู่รวมกันกับนักปฏิบัติธรรม เป็นเกือบสิบคนเลยแบบนี้นนะอาจจะอาคารก็คงใหญ่พอสมควร น, น, นะนะแต่บางทีขนาดที่เพื่อนนักปฏิบัติรรข้อเดินเขาอาบน้าอะไรแบบนี้นะบางทีจิตที่กำลังแบบเออกลังจะมีสมาธิดีดนะพอมีคนเดินเสียงดังหน่อยนะคนอาบน้ำหน่อยนะมันก็จิตมันก็คลายออกจากสมาธิ แรกๆเองเขาก็ไม่ไม่พอใจก็คงอึดอัดใจแบบมันมันไม่ได้สัตว์ปะะั่ยะเท่าที่ควรแต่เขาระลึกคำสอนของอาจารย์เวสานเขาบอกว่าอาจารย์เวสานบอกนักปฏิบัติธรรมนะแม้แต่อยู่ในคุกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ คือประมาณว่าแม้สภาพความเป็นอยู่จะเลวร้ายขนาดไหนนะแต่ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติทำจริงๆก็ต้องทำให้มันได้นะซึ่งมันคือถ้าเราวางใจอย่างนี้นะมันมันดีในแง่แบบมันทำให้เรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราแบบเลือกว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบ อันนี้มันดีอันนี้ไม่ดีนะทีพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเจอสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกใจมันก็มันก็จะรู้สึกมีโทสะขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองภาวนาไม่ได้หรอกในอยู่สถานการณ์แบบนี้อะไรประมาณนะั้นแต่ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะสมมติว่าคุกที่พระอาจารย์ไปสารว่านะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่มันอาจจะไม่สบายยะนะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมองเปรียบเทียบว่าเหมือนกับร่างกายเนี่แหละนะนะร่างกายเปรียบเสมือนคุกนะที่มันต้องจิตมันต้องอาศัยอนะอยู่อาศัยสัมพันธ์กันนี่แหละนะนะนานวันไปร่างกายมันก็เสื่อมลงเนาะมันก็แก่ลงมันก็ ไม่เคยบวกสบายเหมือนเดิมแล้วเนะี่ยมันก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กตอนเราเป็นวัยรุ่นนะตอนเราแข็งแรงเนะี่ยเราก็อยู่กับร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยทุกข์มากนะแต่นานไปเนี่ยก็อยู่กับร่างกายด้วยความทุกข์มากขึ้นนะความไม่สบายชัดเจนขึ้นความเหนื่อยมากขึ้นนะเนี่ยถ้าเรายอมรับเออเราวางใจเออ เราจะอยู่กับมันกับร่างกายแบบนี้แหละนอยู่ให้มันได้มันไม่สบายกายก็เป็นเรื่องของกายนะเราก็ดูมันช่วยเหลือมันนสิ่งสำคัญให้ใจรู้ทันกระใจมันรู้สึกไม่พอใจมันคาดหวังนอยากให้มันดีกว่านี้อยากให้มันหาย เันนี้คือความยากมันเกิดขึ้นละแต่ให้เรามีความพอใจในการเช่นดูแลสุขภาพกายนพอใจในการดูแลสุขภาพพอใจในการออกกำลังกายพอใจในการกินสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราทําเหตุนะะแต่ทําไปแล้วมันจะหายหรือเปล่ามันช่ดีหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของมันนะ ที่จริงความทุกข์ถ้าโดยดยีมันทุกข์เพราะความคาดหวังนะนะนะอยากมากก็ทุกข์มากนะอยากน้อยก็ทุกข์น้อยนะถ้าหมดอยากนะก็ไม่ทุกขนะ์นี่ทุกข์ทางใจนะี่แต่ทุกข์ทางกายมันก็เป็นไปตามเหตุนะตามปัจจัยนะแต่ทุกข์ทางใจมันเกิดเนี่ยเพราะความอยากเนี่ย น, นะ ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะมีความทุกข์ที่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยมันก็คือเกิดการยอมรับความจริงได้เนี่ยจริงกรรมถานจริงมันคือถ้าจะว่าง่ายๆนะคือการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละนะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเียหรือที่หลวงพ่อท่านบอกรู้สู้ๆเนะี่ยรู้สื้ๆก็คือรู้ หรือว่าดูมันซื่ อ, อ, อๆเฉยๆนะเนี่ยไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยนะแค่รู้เฉยๆเนะี่ยมันถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดละเนะเพราะจิตที่รู้ที่ดูเฉยๆนีะนะ่แหละเนาะมันเป็นจิตที่มันไม่เข้าไปเกาะไม่ไปติดไม่ไปอยากไม่ไปอะไรแล้วเนาะสิ่งที่เราฝึกเนะี่ยฝึกให้มันทำไง เกิดการฝึกฝ น, นเวลามันไม่ซื่อนะให้เรารู้ทันมันนะเวลามันอยากนะก็ละมันไปเลมือนะภาวนาไปจริงแบบนี้นะสะดุดท้ายก็คือเนะี่ยอย่าทำด้วยความอยากมากนะดูว่าความอยากนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มากนะทำด้วยความพอใจในการทำเนาะ พอใจในการปฏิบัติธรรมนะแม้แต่ทำงานอย่างอื่นนะก็ให้มีความพอใจในการทำงานนะมีความสุขในการทำงานนะงานนั้นก็จะเป็นงานที่เราฝึกฝนตัวเองได้ในขณะที่ทำงานหรือบางทีงานบางอย่างเหมืออาจจะไม่ถูกเจดิษอาจจะไม่ชอบอาจจะรังเกียจนะก็ให้เรารู้ทันใจนะ มองอีกอย่างก็เออก็ดีเป็นการฝึกใจนะฝึกใจนะใจมันไม่ชอบนะก็รูทันใจที่มันไม่ชอบนะใจมันดังเกียรตนะก็รู้ทันใจที่มันดังเกียรตินะถ้าเรามองงานแบบนี้นะงานทุกอย่างก็จะเป็นงานสอนธรรมะทั้งหมดนะ่นะไม่มีงานไหนสูงหรือต่ำกว่ากันหลักนะ มันมีแต่ใจเราจะสูงหรือจะต่ำเนะี่ยมันอยู่ที่การที่เรายอมรับในงานนั้นหรือเปล่าท่านวร่างนะท่านไปอยู่ที่วัดนะพระอาจารย์ท่านให้ผ่าคืนหาบน้ำตำข้าวนะอยู่ในครัวนั่นแหละนะแต่มันเป็นงานแบบเออทําให้เราท่านด เห็นตัวเองชัดขึ้นนะมไม่ใช่ว่าเอออยู่วัดแล้วจะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวนะแต่จริงการทำงานนะหาบน้ำผ่าฟืนํำข้าวอะไรมันก็เป็นงานที่ทำให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีปัญญานะงานไม่ได้ต่ำเลย ทุกอย่างนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีความพอใจในการทนะําเนี่ยมันก็ทําด้วยความสุขสําด้วยความพอใจแล้วก็มีสติในการทํางานนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นการฝึกตนทั้งนั้นเลยนะก็ให้เราวางใจให้ถูกนะถ้าวางใจถูกแล้วนะการปฏิบัติธรรมมันก็จะถูกของมันเองนะแต่ถ้าเราวางใจผิดได้ทําด้วยความอยากนะ ทำด้วยความโลภนะมันก็จะการปฏิวัติธรรมมันก็จะผิดไปนะแทนที่จะเป็นการละกิเลสนะแต่เป็นการนะสะสมกิเลสนะนะนะก็ฝากไว้ครับนะ <c oughs>